วันอาทิตย์ที่สองมิถุนายนพศ2539เป็นการบญญาารรยายคัมภีมหาปัฐาเป็ยอาจารย์สุเทพโพธิสัตธาสาธุชนที่เคารพมหาปฐานในครั้งนี้ยังจะกล่าวถึงประเด็นที่ได้ใช้เอกสารชุดที่แจกคราวที่แล้วนะครับว่าสาราถอดรูปของปัจจัยยี่สิบสี่ซึ่งมีความหมายว่าในประเด็นที่กาลังพูดถึงนี้กาลังพูดถึง สิ่งที่เป็นสภาพองค์ธรรมที่ปรากฏอยู่ในปัจจัยยี่สิบสี่ปัจจัย24ี่นั้นเมื่อกล่าวโดยสภาพองค์ธรรมหรือหรือกรณีขององค์ธรรมที่ปรากฏก็จะมีอยู่เก้าส่วนด้วยกันเท่านั้นเองนะครับที่ขมวดเป็นประเด็นต่างๆแล้วในส่วนที่หนึ่งที่พูดไปแล้วคืออํานาจกรรมที่เรียกว่านานักนิกากรร ม, มปัจจัย เป็นกรณีของสภาพธรรมในส่วนของกฎเวรกฎกรรมซึ่งในที่นี้ก็ได้แบ่งเป็นสองดังที่ได้รู้กันอยู่แม้ไม่ได้เรียนปัจจัยยีคื อ, อกุศลเจตนาอกุศลอกุศลเจตนาที่บุคคลได้กระทาในการก่อนหรือเกิดขึ้นในการก่อนไม่ว่ากุศลเจตนาและกุศลเทเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในกรณีของบุญของบาปอย่างไรก็ตาม มากก็าตามน้อยก็าตามเมื่ออำนาจกุศลและเจตนากุศลและเจตนานั้นดับไปแล้วนานก็ตามเร็วก็ตามแล้วแต่กรณีของกรรมและองค์ประกอบของกรรมนั้นเป็นตัวก่อวิบากจิตและกรรมมชรูปให้เกิดขึ้นในภายหลังอย่างเช่นชีวิตจิตใจของเราในปัจจุบันนี้ก็เป็นผลผลของกุศลเจตนากุศลเจตนาที่เกิดขึ้นในการก่อนนั่นเอง นี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองคืออำนาจทางอุปนิสัยอำนาจทางอุปนิสัยนั้นเรียกว่าประตูปนิสยาปัจจัยซึ่งเป็นมุมหนึ่งส่วนหนึ่งของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งในตรงนี้ก็ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นเครื่องก่ออุปนิสัยมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเกิดจากจิตเจตสิกเก่า ซึ่งไม่ได้หมายเอาเฉพาะเจตนาเหมือนอย่างกรรมเท่านั้นนะกรรมหมายเอาเจตนาที่เป็นบุญเป็นบาปแต่ว่าในทางอุปนิสัยเนี่ยจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นอพูดได้ว่าทุกขนาดนะครับถ้าเป็นชาวนะนี่ก็มีอะไรพิเศษหน่อยแต่ว่าถึงว่ากรณีโดยทั่วไปนั้นจิตเจตสิกก่อให้เกิดพลังทางอุปนิสัยแก่จิตเจตสิกหลัง นิสัยนั้นเกิดขึ้นที่จิตที่เจต ส, สิกแล้วก็เกิดขึ้นจา ก, กจิตจากเจต ส, สิกที่เกิดขึ้นมาก่อนนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามขอให้หมายเหตุไว้ในใจว่าปัจจัยที่มีขอบเขตกรณีเป็นไปกว้างขวางที่สุดนั้นคือปกตูปนิสยาปัจจัยนี้เองซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายอย่างไรอย่างไรก็ไม่อาจจะพูดได้อย่างครบถ้วนได้ สำหรับการพูดในลักษณะรวมรวมกันไปเช่นนี้จึงให้ให้หมายเผื่อไว้ว่าบางส่วนที่เราพูดถึงนั้นยังไม่อาจจะพูดได้ครบนะยังมีส่วนที่เหลืออีกมากอีกกรณีหนึ่งของสิ่งที่เป็นเครื่องก่ออุปนิสัยได้แก่อุตูโชนาเสนาสนาและบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก เป็นเครื่องช่วยทําให้เกิดอุบรณิสัยในทางดีทางชั่วได้แล้วก็มาพูดถึงอํานาจส่วนที่สามเรียกว่าอํานาจหน่วงน้าวใจอาระมณ์ที่ปฏิปัจจัยหรือบางทีก็เรียกว่าอาระมณูปนิธิญาปจจัยการระบุชื่อปัจจัยนี่ก็เป็นแต่เพียงระบุให้พอนึกออกเท่านั้นก่อนว่าเป็นทางบาลีเรียกว่าอย่างไรขณะที่เกิดก่อนเรียกว่าอาระมณ์ปเรชาตาปตจัย มีก็กล่าวลักษณะของอารมณ์โดยการของอารมณ์ว่าอารมณ์บางอย่างนั้นเกิดก่อนจิตแต่มาเป็นอารมณ์แก่จิตที่เกิดขึ้นในภายหลังแล้วก็มีอารมณ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่ตั้งของจิตด้วยแล้วก็เป็นอารมณ์ของจิตด้วยก็คือหาทยาวัตถุคืออย่างกรณีของประสาตตาเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของจักสุวิ ญ, ญญาณ แต่ประสาตตานั้นไม่เป็นอารมณ์แก่จักษุวิ ญ, ญญาณในขณะที่โคจรมาจากที่อื่นมากระทบตาจักษุวิ ญ, ญญาณไม่อาจเห็นประสาทตาที่ตัวอาศัยอยู่ได้แม้ประสาทหูก็ไม่สามารถจะได้ยินโสตาวิ ญ, ญญาณก็ไม่สามารถจะได้ยินประสาทหูได้ได้ยินเสียงที่มากระทบประสาทหูนั้นได้แต่ที่เป็นกรณีเป็นตามข้อสีได้ก็คือ หาทายวัตถุคือที่ที่มโนวิญญาณอาศัยอยู่มโนวิญญาณสามารถที่จะหน่วงนึกถึงหาทายวัตถุที่ตัวอาศัยอยู่นั่นแหละเป็นอารมณ์ด้วยได้คือทั้งอาศัยอยู่และทั้งนึกถึงที่อาศัยอยู่นั้นไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวได้ในกรณีข้อสี่นะท่านหมายเอาหาทายวัตถุซึ่งเป็นที่อาศัยของจิตบางขนาดนะไม่ใช่ทุกขนาดจะต้องนึกถึงหาทายวัตถุเสมอไปหรอก เฉพาะจิตบางขณะที่ความคิดนั้นกลับจับลึกเข้ามาสู่ดวงใจนะครับมาเหมือนกับเราหลับตานึกถึงความคิดของเราใสาคายอย่างนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นการจับความคิดเป็นการจับที่ที่จิตอาศัยอยู่ก็จะเกิดขึ้นกรณีบ่อยหน่อยก็คือในตอนที่คนจะตายพอคนจะตายนั้นก็จะนึกถึงเนื้อเป็นลักษณะของคนที่เหมือนกับจิตเนี่ยมันเข้ามากอดกอดอ พาหะที่จิตนั้นอาศัยอยู่เหมือนไม่ต้องการจะพลากจากไปหรือเหมือนว่ากลัวจะพลากจากไปเหมือนกับคนตกน้ําอะครับเหมือนคนตกน้ําหรือใบเรือแตกกลางทะเล ก, ก็จะกลับจะจับหรือกอดขอนไม้หรือกอดชิ้นส่วนของเรือที่แตกเพื่ออ่รู้อยู่ในใจว่าถ้าหากว่าชิ้นไม้นั้นหลุดไปจากตัวหลุดไปจากอ้อมแขนก็หมายว่าตัวจะตายอันนี้ก็เกิดขึ้นจาก ความรักตัวกลัวตายนั่นเองอะความรักตัวกลัวตายก็นึกด้วยความรู้สึกอย่างนั้นท่นานจึงเรียกว่าเป็นวัตถุด้วยเป็นอารมณ์ด้วยของจิตนั้นในขณะกรณีพิเศษนั้นแต่กรณีอีกกรณีหนึ่งคือคนที่ทําวิปัสนากรรมฐานเมื่อจเจริญวิปัสนากรรมฐานนี่ก็สามารถที่จะเอาจิตกําหนดจับเข้าไปที่นั่นก็ได้เพราะฉะนั้นคนอันนี้ก็เป็นเป็นสองกรณีเหมือนคนที่นึกถึงตัวเองเนี่ยมันก็มีสองอย่าง คือนึกถึงอย่างเป็นคนเห็นแก่ตัวรักตวกลัวตายอย่างหนึ่งกับคนที่นึกถึงตัวเองอย่างไม่ใช่รักตัวกลัวตายอย่างพระอาหารหันเนี่ยนะฮะหรือผู้ที่เจริญวิปัสนาในใจก็อยู่กับตัวแต่การที่ใจอยู่กับตัว <c oughs> ทั้งวันทั้งวันนั้นไม่ใช่กระทำด้วยอาการเช่นคนเห็นแก่ตัวกระทำต่างกันตรงนั้นแต่เหมือนกันตรงที่ว่าจับที่ตั้งที่อาศัยของจิตเป็นอารมณ์เหมือนกัน เนั้นสภาวะของอารมณ์อย่างนี้นั้นลึกและเป็นกรณีพิเศษจริงๆเท่านั้นแต่เป็นไปได้ตอนนี้มาพูดถึงกรณีที่สี่ที่เป็นสาระของปัจจัยที่สี่นะครับคืออํานาจคลุกเจือกันของนามที่เรียกว่าสัมปยุตตปัจจัยคือเป็นปัจจัยที่อยู่ในเครืองสัมปยุตตปัจจัยเนี่ยครับที่ใช้คําว่าคลุกเจือนะ่ะเราก็ใช้ไปรูปภาษาไทยภาษาบาลีใช้คําว่าสัมปยุต หรืบางทีใช้คาสัมบโยคะซึ่งหมายถึงการที่เราเกิดความนึกคิดขึ้นมาครั้งหนึ่งในความนึกคิดที่ปรากฏขึ้นมาครั้งหนึ่งนี้จะมีสภาพของเจตสิกหรือสภาพของความรู้สึกหลายๆอย่างที่ถอดออกมาได้ว่าลขนาดที่คนโกรธก็ดีถอดความคิดออกมาได้เป็นเจตสิกว่ามีอะไรบ้าง เช่นเวทนามีไหมเวทนาเป็นอย่างไรก็ตอบว่ามีเวทนานั้นเป็นโทมนัสเป็นความไม่สบายใจหรือเป็นความเสียใจเป็นความเจ็บในใจอันเดียวกันถามว่ามีความความคิดเป็นสมาธิหรือฟุง้งเราก็ตอบว่าเป็นความคิดที่ฟุ้งปรานเป็นอุทตจเจตสิกมีเจตนาไหมบอกมีเจตนานั้น อเป็นไปในอำนาจบังคับของโทสะคือเมื่อมีโทสะเจตนานั้นก็เป็นเจตนาประทุษรลายเลยทีเดียวนั่นเป็นความรู้สึกต่างๆซึ่งในอวิธรรมสามารถจะแยกได้ว่าเมื่อความรู้สึกตั้งขึ้นในกรณีของคนโกรธเนี่ยมีเจตสิกประกอบเป็นสิบสิบอย่างอยู่ในนั้นแม้จิตอื่นๆก็ทั้งคนขณะนอนหลับก็เหมือนกันมันก็จะมีเจตสิกกับจิตลุกเยือกันอยู่ ทีนี้ความคลุกเจือกันของจิตเจตสิกในขณะปรากฏความนึกคิดขึ้นครั้งหนึ่งหนึ่งนั้นมันปรากฏคลุกเจือกันอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันคือไม่ใช่สักแต่ว่ามันเกิดคลุกเคลือและต่างคนก็ต่างไม่ได้มีอะไรแก่กันแต่ความจริงนั้นต่างมีอะไรแก่กันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่ โดยธรรมดาเราอาจจะมองไม่เห็นแต่โดยสภาวธรรมนั้นมันเป็นของมันคนที่เข้าใจสภาวธรรมมองเห็นและสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็นก็อาจจะมองเห็นในฐานะที่มันเป็นผลพวงภายนอกออกมาเป็นเชิงพุทธิกรรมหรือเป็นลักษณะของความขยายตัวออกมาเป็นวงหยับๆยับก็อาจจะพอมองเห็นในนี้จึงว่าจิตกับเจตสิก และเจตสิกกับเจตสิกเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีหนึ่งฮะปรากฏทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตกับจิตเนี่ยสัมพันธ์กันเองไม่ได้คือคลุกเจือกันไม่ได้เนื่องจากว่าจิตปรากฏทีละหนึ่งแต่เจตสิกเนี่ยปรากฏทีละหลายหลายสภาพความรู้สึกเจตสิกกับเจตสิกจึงชื่อว่าคลุกเจือกันได้และจิตกับเจตสิกคลุกเจือกันได้ ครุกเจือลักษณะที่หนึ่งต่อหลายอย่างจิตเป็นหนึ่งเจตสิกมีหลายอย่างก็ต้องครุกเจือกันในในขณะเดียวกันคือความรู้สึกเกิดขึ้นครั้งหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีเจตสิกปรากฏครุกกันอยู่ในขณะนั้นไอการที่ไอเจตสิกจะละแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีสภาพของมันของมันพอมารวมกันก็เกิดได้สภาพเป็นลักษณะ ส, สภาพรวมไอสภาพรวมนี่แหละครับ ก็คือสภาพของจิตแ9สิบเก้าที่เราเรียนกันนะว่าโลภะโมูลจิตเนี่ยมีแปดเนี่ยก็คือสภาพรวมกันระหว่างเจตสิกกับเจสิกจิตกับจิตจิตกับเจสิกแตกต่างกันนั่นเองจึงเกิดสภาพรวมที่เรียกว่าเป็นจิตประเภทหนึ่งหนึ่งมีมากมายหลายประเภทอันนั้นเป็นความพร้อมเพลียงที่ พูดเฉพาะในในสภาพของดวงจิตเท่านั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่ในตัวเองแล้วซึ่งกรณีตรงนี้เราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเราเข้าใจมันได้แล้วก็ตอบได้ว่าในขณะที่เราเกิดความรู้สึกขึ้นคราวหนึ่งหนึ่งเนี่ยไอสภาพความคลุกเจือกันเป็นอย่างไร เราเราอที่ว่าเราเข้าใจได้คือเราเข้าใจได้โดยโดยธรรมดาอย่างที่เรารู้สึกกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะแต่เวลาจะให้อธิบายออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนะอาจจะพูดไม่ได้แต่ถ้ากว่าใครมาพูดเป็นชิ้นเป็นอันให้ฟังเราก็นึกเข้าใจได้ว่าความรู้สึกต่างๆที่อยู่ในความนึกคิดเป็นอย่างไรกระทั่งว่าในขณะที่ผมกําลังพูดอยู่นี้ผมก็มีความรู้สึกอย่างที่ผมเป็นในจิตสุบัติเหของผม ในความคลุกเจือของจิตแต่ละขณะหรือโดยสภาพรวมๆขณะ น, นี้ท่านเองก็มีความรู้สึกของท่านอยู่ในขณะ น, นี้แล้วก็คืนนี้อาจจะมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคนอย่างน้อยก็ยี่สิบเก้าคนที่แตกต่างกันนะฮะคือบางคนก็พอได้อารมณ์บางอย่างอารมก็เป็นตัวเลขนะฮะที่เขาประกาศให้ทราพบพอได้อารมณ์แล้วก็มีความรู้สึก แตกต่างกันเลยที่ทำปฏิยาต่อการรับรู้นั้นแตกต่างกันนั่นแหละคือถ้าแยกออกมาสมมติว่าคนที่เกิดได้ได้ตัวเลขมากที่สุดเนี่ยนะถามว่ารู้สึกยังไงเวทนาเป็นอะไรเวทนาแค่ไหนเขาก็ตอบได้ เราก็อาจจะพอเดาได้แล้วก็ถามว่าเจตนาเป็นยังไงเจตนาเป็นยังไงไถามว่าสมาธิเป็นอย่างไรถามว่ามนสษการเป็นอย่างไรถามว่าสัญญาเป็นอย่างไรเขาสามารถที่จะตอบได้แต่อาจจะไม่หมดในความชัดเจนนะแต่ว่าถ้าเราไอ้บางตัวไม่ชัดเราเรา มาตั้งหลักถามเขาคงไม่มาให้เราถามหรอกครับเพราะว่าคง <c oughs> ไม่มานั่งให้เราถามหรอกนะ <c oughs> ถึงว่ า, เ, าเราสมมุตินึกดูความรู้สึกการเนี่ยมันก็มีอยู่ในในใจของเขานั่นคือการตื่นเต้นของเจตสิกแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ประชุมพร้อมกันในขณะนั้นเรียกว่าเป็นความพร้อมเพียงในในจิตแต่ละอย่างแต่ละดวงทั้งหมดนะครับใครที่เกิดจิตขึ้นก็มีแล้วตัวนี้มันเป็นตัวกําหนด คุณค่าได้แต่ละอีกหลายอย่างวิจิตพิสดารมากทีนี้ไอ้เรื่องความคลุกเจือเนี่ยในนี้แบ่งเป็นสามกรณีให้เห็นนะเป็นการรูปย่อให้เห็นเพื่อให้เห็นภาพของปัจจัยยี่สิบสี่ว่าที่พูดกระจายเป็นโดยประการต่างๆเนี่ยปัจจัยส่วนที่อยู่ในเครือของความครุกเจือกันของนามเนี่ยนะในส่วนที่หนึ่งที่ ตอนท้ายเลยว่าสัมปจจยุตปัจจนะิจัยอัญญามัญญะปัิจัยเนี่ยนะเจตจิตเจตสิกในขณะและทุกขณะท่านสังเกตทำสองคานี้นะในขณะและทุกขณะต่างให้กําลังแก่กันคําว่าในขณะเนี่ยมันหมายถึงในขณะจิตหนึ่งจิตเนี่ยมีหลายขณะถ้าคนละขณะและไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันโดยสภาพความทุกข์เจือแต่เกี่ยวกันโดยสภาพอื่นเช่นโดยสภาพอันอันตระปัจจัยโดยสภาพของ อุปนิสัยโดยสภาพของกรรมมีเกี่ยวได้หรือโดยสภาพของอารมณ์จิตเดี๋ยวนี้นึกถึงจิตเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยสภาพของความครุกเจือนั้นพูดเฉพาะจิตที่เหมือนอยู่ในหม้อแกงเดียวกันหม้อข้าวเดียวกันในขณะเดียวกันและโดยความครุกเจือนเนี่ยเรียกว่าในทุกๆขณะที่ใช้คำว่าทุกขณะนะหมายกาว่าในขณะไหนไหนก็มี การคลุกเจือกันระหว่างนามกับนามเพราะว่านามหรือเจตจิตเจตสิกเนี่ยจะเกิดเดี่ยวเอกเทศไม่ได้เช่นเจตนาจะเกิดเอกเทศไม่ได้เจตนาตัวเดียวเกิดขึ้นเดียเด่ยวๆไม่มีผัสสะเกิดขึ้นเดียเด่ยวๆก็ไม่มีจะเกิดปนกันเสมอจึงบอกว่าในขณะและก็ทุกขณะมันแต่ละขณะอาจจะแตกต่างกันได้เพราะฉะนั้น เจตสิกใดที่เกิดอยู่ในขณะกิตใดก็ให้ถ่ายลักษณะของตัวเองหรือให้กําลังตัวเองคำว่ากําลังเนี่ยผมแทนลักษณะที่เจตุกะลักษณะที่เจตุกะหรือลักษณะสี่ประการของเจตสิกแต่ละตัวแต่ละตัวนี่นะครับที่ถ่ายให้แก่กันและกันลักษณะสี่ประการจะมีลักษณะเฉพาะตัวของเจตสิกกิจของเจตสิกผลปรากฏของเจตสิก สมุดฐานของเจตสิกมันจะถึงกันหมดนี่เป็นว่าพูดแล้วก็เหมือนเป็นเรื่องของธาตุการรวมตัวของธาตุในทางนา ม, มาธรรมซึ่งก็เรียกธาตุเหมือนกันก็แค่นี้นะพูดให้แจ่มแจ้งไม่ได้ไม่หมดหรอกนะทีนี้พระพุทธเจ้าเมื่อพูดอย่างนี้ก็ออกมาเป็นข้อธรรมในทางปฏิบัติ ต, ต่างๆการปรับอินทรีย์ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าในแง่ของการทำทานก็ท่านสอนให้ปรุงจิตกับปรุงจิตก็ไม่ใช่อะไรล่ะครับคือการทำเจตสิกนั่นเองว่าบุพพเจตนาทำอย่างไรการเพิ่มกำลังของปัญญาเข้าไปในการทำทานเนี่ยควรจะทำอย่างไรแล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรอะไรขึ้นควรจะทำความรู้สึกไว้อย่างไรที่รวมอยู่ในคำมโยนิโสริการเนี่ยนะ ทั้งหมดเนี่ยคือการเรียกว่าเหมือนหย่อนน้าปลาหย่อผงชูรสลงไปในกระแสจิตของเรานั่นเองแต่มันต่างกันเรื่องการหย่อน้ําปลาแ ต, ตรงที่ว่าเราไม่ได้เอาเจตสิกที่ไหนมาใส่กับในจิตใช่ไหมฮะอย่างเช่นขนาดเนี่ยเราทําใจว่ายอย่างไรเนี่ยก็คือการปรุงแต่งจิตด้วยกระทําให้เกิดคุณสมบัติทางเจตสิกซึ่งไม่ได้แปลว่า ใครหรือเราไปเอาเจตสิกจากใครที่ไหนมาใส่ในจิตของเราแท้ที่จริงก็คือใจเราเนี่ยมันพร้อมจะมีคุณสมบัติเป็นเจตสิกต่างๆอยู่แล้วในสายเลือดของมันนะฮะและเราก็ใช้วิธีกระตุ้นอารมณ์กระตุ้นบงังมรติการกระตุ้นบางให้เกิดความรู้สึกที่เต็มบริบูรณ์ขึ้นหรือให้มีกำลังยิ่งขึ้นเพื่อผลอันจะพึงได้จาก ความครุกเจือกั น, กนของนามธรรมาเหล่านั้นผมจึงฝากว่าหลักตรงนี้เนะ่ะเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมส่วนหนึ่งเนี่ยแสดงอย่างปรุงจิตนะทำใดที่แสดงอย่างปรุงจิตก็จะอยู่ตรงนี้ทำใดที่แสดงอย่างการเอาไปองิงอารมณ์ข้างนอกก็มันก็มีผลเข้ามาถึงปรุงจิตเหมือนกันแต่ว่าไปพูดพาดพิงถึงสิ่งภายนอก ว่าสัพไยะว่าอย่างนู้นอย่างนี้หลายอย่างเนี่ยนะะการครบค้าบัณฑิตไม่คบคนพานเหล่านี้เป็นเรื่องไปอิงข้างนอกแต่ก็ย้อนกลับเข้ามาสู่การปรุงจิตและเมื่อปรุงจิตเสร็จแล้วมก็เกิดไอาการระบาดของพลังทั้งเหตุปัจจัยไปเป็นรูปอื่นๆได้ต่อไปผมนึกว่าจะได้พูดคราวหน้าคือจะมาวางโดยลําดับว่าไอาการบริหารปัจจัยในชีวิตเราเนี่ยปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยหลัก แล้วก็ทาตรงไหนกระทบไปถึงตรงไหนในรูปของสัมปโยคะสัมปโยคะ เ, เขาเขาเรียกอย่างเงี้ยเขาเรียกสังค ต, ตนาสภะคะเรียกสภะของปัจจัยเนี่ยนะเพราะว่าไอที่เราพูดกันว่าอะไรอะไรเนี่ยต้องทากันอย่างเป็นระบบเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นจริงๆครับไม่ใช่ทำทีละอย่างต้องทำแล้วต้อง ทำอันหนึ่งต้องนึกเป็นถึงระบบและนึกไม่นึกก็ต้องไปเป็นระบบเพียงแต่ว่าถ้าเรามองทางนี้ที่ไล่ของระบบได้แล้วก็ทำจุดนี้เนี่ยเรารู้ว่ามันจะกระทบไปเป็นระบบเป็นปืนออกไปทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งทั้งโครงสร้างของชีวิตแล้วก็ทั้งระยะไกลระยะไกลคือย้อนไปถึงอนาคตแล้วก็กำเนิงถึงอดีต ท, ที่มันมีมีพลังต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เนี่ยจะเห็นว่าอย่างกลุ่มที่หนึ่งอำนาจปัจจัยอํานาจกรรมอํานาจอุปนิสัยอานาจอารมณ์แล้วก็อํานาจความคลุกเจือเนี่ยเราเห็นร่องรอยแล้วว่ามันมีความสําคัญและสัมพันธ์กันอยู่ไ อ, ออานาจบางอย่างเนี่ยสําคัญในบางแง่แต่ไม่สําคัญในบางแง่ว่าอย่างเช่นอํานาจกรรมเนี่ยนะฮะอันจริงก็ก็สําคัญบางแง่สําคัญในเรื่องของการต่ออายุลมหายใจที่ว่าอย่างนั้น แต่ว่าอาจจะมีความสําคัญต่อต่อความเจริญในทางคุณธรรมไม่มากอาจจะต่างกับทางอุปนิสัยหรือทางอารมณ์อย่างนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีความสําคัญต่อการเจริญคุณธรรมโดยที่เวลาทําจริงๆก็บางทีต้องไปอิงอาศัยอํานาจกรรมเข้าเป็นเครื่องช่วยเป็นพื้นฐานอย่างเช่นว่า สหาชาติกะปัญญาหรือสหาชาติปัญญาเนี่ยสหาชาติปัญญาถือเป็นว่าเป็นปัญญาที่ได้จากกรรมเกิดจากกรรมเป็นกรรมวัดนะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดสหาชาติปัญญาแต่พอมาถึงปัญญาอย่างเรียกว่าบริหารปัญญาบริหารปัญญานั้นมาอยู่ที่ อ, อำนาจของความคลุกเจืออำนาจความคลุกเจือที่ไปอิงอารมณ์ ที่ไปอิงอุปนิสัยที่ไปอิงกรรมเป็นที่ที่มาที่ตั้งเป็นพื้นฐานแต่จุดบริหารเนี่ยเป็นความคลุกเจือคือการทำใจที่กำลังปรากฏปรุงแต่งใจที่กำลังปรากฏจะปรุงได้แค่ไหนอย่างไรก็ต้องย้อนไปดูไอเหตุปัจจัยอาศัยหรืออมนาจกรรมพื้นฐานถ้าไม่มีกรรมเราก็บริหารไม่ได้ ทีนี้เรื่องของอำนาจความคลุกเจือเนี่ยในกรณีแรกนะพูดถึงจิตทั้งหมดนะะที่ปัจจัยพวกนี้พูดถึงสมิยุต ป, ปัจจัยอัญญมยาปัจจัยเนี่ยพูดถึงจิตทั้งหมดแต่ถ้าพอมาพูดถึงวิบากปัจจัยอย่างที่พูดคราวที่แล้วเนี่ยนะครับว่า <c oughs> เป็นจิตที่เกิดขึ้นจากกรรมเก่าอันนี้ก็เป็นอำนาจของความคลุกเจืออันหนึ่งที่วิบากจิตเนี่ย เราอาจจะบริหารโดยตรงไม่ได้คือถ้าเป็นเป็นสัมยุญสจิตเนี่ยบริหารโดยตรงได้เพราะมาเป็นวิบากในบริหารโดยตรงไม่ได้คือข้อนี้หมายความว่าไอ้วิบากเนี่ยเราทำของเราอยู่แล้วเวลาจะถวยวิบากเนี่ยนะครับสมมติว่าเราตายจากชาตินี้จะไปเกิดชาติใหม่ปฏิสนธิเกิดในชาติใหม่นะั้นเป็นวิบากจิต วิบากจิตเวลาเขาเกิดเขาก็เกิดเลยจะไปทําให้เขามีกําลังเท่านั้นตอนนี้ขนาดนั้นไม่ได้อย่างเช่นว่าเราเกิดมาแล้ววิบากจิตเรามีคุณสมบัติอย่างไรเราจะไปทําให้วิบากจิตที่ทําหน้าที่บริสุทธิให้มีคุณสมบัติตามใจชอบเราใหม่ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าบริหารตรงๆไม่ได้แต่ว่าการบริหารเรียก่บริหารทําให้กรรมที่ยังไม่ให้ผลให้ให้ผลอะไรอย่างนี้นะ เป็นต้นนี้ได้ยันว่าเราจะตายแล้วจะไปเกิดชาติใหม่อยากจะให้วิบากเป็นอย่างไรหรืออยากจะให้วิบากใดให้ผลเนี่ยทำได้ครับวนนี้พระพุทธเจ้าสอนในพระสูตรเป็นั้นมากจริงๆว่าเราจะทำอย่างไรยังว่าเวลาที่เราไปให้อารมณ์คนใกล้ตายพระสารีบุตรเป็นต้นไปโปรดคนใกล้ตายอย่างนี้เป็นต้นท่างก็ ต้องการกาบริหารที่จะทําให้เกิดปฏิสนธิขึ้นมาแต่ว่ากรรมอย่างที่เราเกิดมาแล้วแล้วเราบริหารได้เช่นตาเห็นรูปเนี่ยจะเห็นรูปอย่างไรเห็นรูปดีหรือไม่ดีเราสามารถที่จะควบคุมมันได้พอสมควรนะว่าถ้าเราไม่ไม่อยากจะเกิดอกุศลวิบากทางนี้เราก็ไม่ไปสู่ที่นั้นหรือไม่ไม่ทําตัวให้ประมาทอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เกิดวิบากนั้นขึ้น ทีนี้ไอ้วิบากว่า ม, มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีอํานาจมีรสชาติอยู่ในขณะจิตของมันเองเหมือนกับจิตที่ไม่จะวิบากนั่นเป็นกรณีที่สองการที้มาถึงกรณีที่สามคือเจตสิกบางชนิดที่ให้กําลังตัวพิเศษแก่อของตนแก่จิตหรือเจตสิกอื่นในขณะนั้นโดยเป็นเหตุปัจจัยบ้างอธิบดีบ้างอินทรีย์บ้างฌานบ้างมรรคบ้างเนี่ยข้อนี้เป็นส่วนของ ปัจจใจจำพวกหนึ่งที่ท่านแสดงเน้นพลังพิเศษของตัวเจตสิกบางอย่างที่มีพลังในทางธรรมพิเศษเจตสิกทุกตัวเนี่ยไม่ได้ถูกแสดงอย่างเป็นพลังธรรมพิเศษหมดทุกตัวออย่างเช่นมัคคปัจจัยเนี่ยมัคคปัจจัยที่แท้ก็คือเจตสิกแปดแปดแปดวง หเจติกแปดดวงมีสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเจตสิกสัมมาสังกัปะวิตกเจตสิกข้างกุศลอิรตีสามสมาธิสติแล้วก็วิริยะความเปลี่ยนมาจจะไม่ได้เรียงลำดับนะเหล่านี้นะเป็นเจตสิกที่มีพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอย่างเป็นกำลังทรรมพิเศษเป็นกำลังทำพิเศษในข้อที่ว่าเมื่อบุคคลจะ เจริญในภาวนาธรรมเนี่ยนะเราพูดถึงอย่างกรณีของคนที่เจริญเพื่ อ, อไปสู่จุดบรรลุอริยมรรคอริยผลก็จะต้องดูแลบริหารให้เจตสิกเหล่านี้เกิดพลังขึ้นมาเมื่อเกิดพลังขึ้นมามันก็ทําให้เกิดอํานาจพิเศษขึ้นเรียกว่าบรรลุมรรคอะีเรียกว่าบรรลุมรรคก็ไม่ใช่อื่นไกลหรอกครับมรรคแปดที่บุคคลอบรมให้เป็นมรรคสมังคีแล้วมรรคสมมังคีนั้นก็มีอํานาจเป็นตัวนําเป็นตัวเปิดประตูนิพพาน ทำลายกิเลสโดยสมุทรเจตรประหารขึ้นเนี่ยเป็นองค์มรแปดก็เกิดอยู่ในขณะจิตที่บุกคือในมรกายานเนี่ยจิตที่เป็นมรกายามีองค์มรแปดอยูในนั้นก็ได้พลังจากอเจตสิกแปดดวงนี้เป็นสภาพทำคลุกเจืออยู่ในจิตนั้นแต่มันไม่ใช่เจือธรรมดานะฮะมันทําให้เกิดพลังพิเศษขึ้นแม้องค์ชานก็เหมือนกัน แม้องค์ที่เป็นอินทรีย์สตาวริยาสติสมาธิแล้วก็ปัญญาที่เป็นองค์อินทรีก็เป็นเจสิกที่เป็นพลังธรรมพิเศษที่ท่านมาเรียกว่าเป็นอินทริย์ปัจจัยฝ่ายนามนะอธิบดีฉันทาวริยาจิตตวิมังสาก็เช่นเดียวกันและเหตุหกเหตุหกคือโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเหล่านี้เป็นเจสิกที่ได้รับยกให้เป็น นา ม, มาทำที่ครุกเจออยู่ในจิตนั้นอย่างเป็นพลังพิเศษในพระสูตรแสดงเป็นประเภทธรรมต่างๆที่พึงปฏิบัติอย่างที่รู้กันอยู่แล้วแต่พอมาในแง่ของเหตุปัจจัยเนี่ยก็มาอธิบายว่าธรรมะที่บอกปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดในเชิงพลังเหตุปัจจัยอะไรว่าปฏิบัติก็ปฏิบั ต, บติแล้วก็ได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่สมควรจะได้จากข้อธรรมะปฏิบัติข้อนั้นข้อนี้ แต่พอมาเหตุปัจจัยพอมาเรื่องของปัจจัยแล้วได้มาอาธิบายให้เห็นในเชิงเหตุผลเลยว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราได้ดิบได้ดีจากธรรมะข้อนั้นข้อนี้นะเพราะธรรมะที่บุคคลอบรมแล้วด้วยดีซึ่งธรรมะข้อนั้นข้อนี้มันมีเป็นละพลังโดยความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในจิตของผู้นั้นในขณะที่กาลังยังธรรมะนั้นในเกิดนั่นเองนี่เป็นเป็นหลักที่ มารวบอยู่ในข้อสามนี้นะครับปัจจัยประเภทที่เรียกว่าเอตุปัจจัยที่ปฏิปัจจัยอินเรียปัจจัยชานาปัจจัยมากปัจจัยเนี่ยเป็นชื่อข้อธรรมทั้งนั้นแต่เอามาอธิบายแสดงอย่างเป็นพลังเหตุผลในทางปัะธานคารนี้มาถึงกลุ่มปัจจัยที่ห้าตรงนี้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนมากแต่ว่าเมื่อจะพูดกันแบบให้ครอบคลุม กลุ่มเหตุปัจจัยก็จะแบ่งออกเป็นสามปัจจัยที่เรียกว่าอำนาจในส่วนของอำนาจการสืบขณะของจิตเพราะว่าพระพุทธศาสนาเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขณะหมดเป็นคณิกาวาดคือมีอายุสั้นๆขณะเนี่ยหมายถึงอายุสั้นๆตามความหมายที่พูดถึงตรง น, นี้นะฮะ แขณะที่อื่นอาจจะมีขณะของอะไรๆนะั่นก็มีอายุสัญญาวไปตามของนั้นๆเช่นว่าขณะที่พุทธเจ้าเกิดขึ้นนี้ยก็คืออายุของพระพุทธศาสนาทงางศาสนาเรียกว่าเป็นขณะเป็นสมัยที่เหมาะแก่การประพฤติ ธ, ธรรมเหมาะแก่การแสวงบุญถ้าพ้นจากสมัยของพระพุทธศาสนาแล้ว ก็เรียกว่าเป็นอักขณะอัคอาสมัยที่ไม่เกือ้อกูลต่อการประพฤติธรรมไม่เกือ้อกูลต่อการสแสวงกุศล น, นั่นเป็นเรื่องของขณะไปผูกพันอยู่กับประพุทธศาสนาทั้งศาสนาแต่ตรงนี้นะมาผูกพันอยู่กับจิตเพราะฉะนั้นขณะจิตจึงมีขณะละเอียดมากเห็นไม่ได้โดยโปกติขณะจิต ที่เราพูดถึงเนี่ยเราเราเข้าไม่ถึงโดยมากเราพูดถึงขนาดของความรู้สึกกระดาษว่าขณะนี้เจ็บอยู่สักห้านาทีเลวขนาดเจ็บอายุห้านาทีเจ็บอยู่สักหนึ่งนาทีหรือฉุนขึ้นสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นขนาดความรู้สึกเจ็บใจที่ปรากฏชั่วแล่นแต่อันนั้นไม่ใช่เป็นขนาดจิตเป็นขนาดของความรู้สึกในอารมณ์ เป็นห่วงห่วงแต่ขณะจิตเนี่ยบางทีความรู้สึกเป็นสุขอยู่ในหนึ่งนาทีนั่นแหละแต่เกิดจากขณะจิตหรือมีขณะจิตที่เสพความสุขต่อเนื่องกันนับไม่ถ้ว น, นนะขนาดดังขณะอย่างนี้คนจะเห็นได้ด้วยวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นลรงยืนยังใจคาว่าเท่านั้นเลยนะ เพราะว่าทำสมาธิก็ยังเห็นไม่ได้ต้องวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นแล้ววิปัสสนาต้องหมายว่าเป็นวิปัสสนาที่ต้องได้ถึงยานที่สี่ยานที่สี่ก็ไม่ใช่ว่าไปเห็นกันนะเป็นชั่ ว, มวโมงๆนี่ยครัแบบไปเห็นว่าแบบจับความขาดไดเ้เรียกว่าหนึ่งในกี่ล้านล้า น, านกี่โกด ก, ก, ก็ไม่รับก็เป็นยานที่สี่แล้วซึ่งก็นับว่าประเสริฐและที่เห็นได้ นั้นจิตเนี่ยก็มีการสืบขนาดเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับและในทางอธิบายในลูกของปัจจัยเนี่ยว่า <c oughs> ขณะจิตหนึ่งดับไปขณะจิตใหม่เกิดขึ้นขณะจิตใหม่เกิดขึ้นด้วยอํานาจปัจจัยอะไรถ้าถามอย่างนี้และถ้าตอบเอาหมดเนี่ยมันก็หลายปัจจัยครับแต่ว่าจิตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยเดียวแต่ว่าปัจจัยโดยตรงที่ทําให้ขณะจิตใหม่ปรากฏโดยความเป็นขนาด คือขณะจิตเก่าที่ดับไปก่อนอุดหนุนให้เกิดขณะจิตใหม่สืบทอดเป็นสัน ต, ติแต่ไอ้ขณะจิตเก่าที่อุดหนุนขณะจิตใหม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งกายสิทธิ์โดยลาพังตัวเองนะครับเป็นเป็นเป็นปัจจัยอันหนึ่งถ้าหากว่าบุคคล น, นั้นทำลายปัจจัยตัวอื่นได้แล้วอย่างเช่นพระอรหันต์ทลายกิเลสทำลายกรรมได้แล้ว พอจู่ตีของพระอรหันต์ดับไปปาฏิสนธิคือจิตใหม่ไม่เกิดท่านถึงบอกว่าจู่ตีจิตของพระอรหันต์นั้นหมดพลังความเป็นอนันตระปัจจัยเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยช่วยตัวอื่นนะก็หมดจบกันแค่นั้นก็เหมือนอย่างเราบอกว่าชีวิตเราเนี่ยเราอยู่ฝากไว้ที่ลมหายใจลมหายใจสำคัญมากแต่ไม่ได้ไปแปล ว, ว่าลมหายใจนั้น จะเป็นปัจจัยโดยไม่ฟังเสียงปัจจัยอื่นนะฮะถ้าหากว่าปัจจัยอื่นไม่มีแล้วถึงมีจมูกมีแรงหายใจก็ไม่มีลมหายใจหรือพยายามจะอัดลมหายใจเข้าไปก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายทั้งที่เรามองดูในมุมหนึ่งเนี่ยอาลมหายใจสาคัญมากถ้าสาคัญแล้วเอาลมหายใจกรอกเข้าจมูกก็ต้องเป็นกันหมดตายกันไม่ได้สักคนเดียวถึงบางคนจะ ตทำท่าว่าจะตายแล้วก็ยังใช้เครื่องปั๊มมันก็ต้องมีขอบเขตจำกัดอยู่วันยังคําแหละไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่มีทางจะตายกันเลยครับสมมุติว่าจะพูดกันว่าไม่ชักสายยางออกจากจมูกนะต้องตายแน่แต่ลมหายใจก็ยังนับว่าเป็นสิ่งสําคัญอยู่นั่นเองที่เราเห็นอยู่เฉพาะหน้าแล้วต้องบริโภคอยู่เฉพาะหน้าอันนี้เหมือนกับขนาจิตก่อนนะครับ ก็เป็นมีความสําคัญอย่างนี้แต่ต้องหมายความว่ามีปัจจัยอื่นช่วยด้วยหรือต้องยืนอยู่บนปัจจัยอื่นด้วยนั่นเองฉะ น, นั้นจิตทุกขณะเนี่ยถือว่ามีพลังอันนี้อยู่เหมือนกันหมดพลังจิตมีหลายรูปแบบนะฮะกรรมก็เป็นพลังจิตรูปแบบหนึ่งอุปนิสัยเป็นพลังจิตรูปแบบหนึ่งความคลุกเจือเป็นพลังจิตรูปแบบหนึ่ง แล้วก็ความพลังโน้มน้าวทำให้นึกถึงทำให้ทรงจำนี่เป็นพลังอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน อ, อำนาจการส่งสืบขณะก็เป็นพลังอีกรูปแบบหนึ่งและพลังอย่างนี้ยกให้ว่าเสมอกันหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นเทวดาคือมีพลังสืบต่อเรียกว่าบอันตรภาัจัยทีนี้มันมีกรณีที่ เป็นปัจจัยที่อยู่ในข่ายของการสืบต่อแต่มีข้อจํากัดลัดเข้าไปเล็กลงไปแคบเข้าไปก็คือว่าที่ระบุในข้อสองว่าเฉพาะชาวนะขณะชาวนาวนขณะเกิดก่อนคือชว น, นาขณะก่อนนะนะถ่ายทอดแก่ชว น, นาขณะหลังหลังถามว่าถ่ายทอดอะไระตรงนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งถึงแค่สืบต่อ ทำให้เกิดปรากฏเกิดปรากฏเหมือนอย่างะในเชิงอนันตราปัจจัยแต่ตรงนี้มุ่งในกรณีซึ่งจริงผมอธิบายแล้วนี่ถือว่าเรามากล่าวซ้าย้ำให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นนะเพราะว่าวิธีจิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนคือเวลาเราเกิดความนึกคิดขึ้นมาวงรอบหนึ่งของวิธีจิตเรือกเป็นวิถีจิตส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ ยังไม่ถึงจุดกระจ่างในอารมณ์อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ถึงจุดกระจ่างในอารมณ์จุดกระจ่างในอารมณ์นี่เรียกว่าเป็นชาวนาันะเป็นชาวันะที่เรามักแปล ก, กันว่าเสพอารมณ์คือเสพรสของอารมณ์เป็นขณะขณะติดต่ อ, อเฉยๆขณะสําหรับวิธีจิตทั่วไปมากกว่านั้นก็เป็นวิธีจิตพิเศษในบางการณีของมงคล อำนาจของชาวนะจิต ด, ดวงก่อนที่เสพลดของอารมณ์เสพคุ้นในอารมณ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะถ่ายทอดอะไรอะไรที่ตัวเองได้ไปเป็นผลแก่ชาวนะดวงหลังดวงหลังก็ถ่ายไปถึงเจนะชาวนะดวงต่อเขาึงเรียกอาเสวนาปัจจัยคือเป็นปัจจัยโดยความเสพเสพคุ้นในอารมณ์ในเวลาที่เราได้รับ รสชาติของอารมณ์ก็ได้รับตรงนี้ครับก่อนหน้านั้นไม่ได้รับรสชาติของอารมณ์แล้วก็ได้ดูดซับอะไรอะไรที่เป็นเป็นโลกธาตุภายนอกเข้ามาสู่กระแสจิตเนี่ยก็เข้าทางนี้ไอ้ตรงนี้นะถึงว่ามันเป็นถ้าไปเสพอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ทําให้เกิดบาปก็เหมือนเป็นปากแผลของจิตที่เชื้อโรคเข้าก็เข้าทางนี้ คนกิเลสหนาก็หนาตรงนี้ทังเก้าตรงนี้ถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีเป็นแขกที่ดีที่มีประโยชน์มาบ้านเราก็เปรียบเหมือนเป็นประตูเป็นหน้าต่างของจิตที่เปิดให้ออกซิเจนเข้าบ้านอเปิดรับสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้าบ้านคือเข้าสันดานของเราคือตรงนี้เพราะนัในตัวชาวนาจิตเนี่ยจึงเป็น เป็นปรากฏการ์ที่เป็นของที่เราทำอะไรใหม่ๆแสวงหาอะไรใหม่ๆลงไปจิตก่อนหน้านั้นไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าๆที่เราได้สะสมไว้แสดงพลังตัว น, นั้นแล้วก็มาทำให้เราได้อะไรใหม่ตรงนี้อ่าก็คนที่คุ้นก็วิจิตีก็นึกออกถ้าไม่คุ้นก็ก็ฟังเป็นแบบนึกเอาเองไปก่อนก็แล้วกันะจะเขียนให้ดูจะอธิบายอีกก็จะยาว อันนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในลักษณะของการสืบขณะเหมือนกันแต่แคบหนักก็พิเศษครับคือกรณีที่สามที่เรียวกว่าเฉพาะมัคขณะมัคค ข, ขณะกับผลขณะมัคค ข, ขณะกับผลขณะเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่ที่ในวิสุทธิมัคเป็นต้นได้อธิบายถึงคําว่าอากาลิโกอากาลิโกที่อธิบายใน ในทางสาในทางความหมายโดยตรงเนี่ยอธิบายเป็นแบบอย่างนี้คือในขณะที่บุคคลบรรลุมักคยานเนี่ยมักควิถีเกิดนะก็มีพวังขจรณะพวังคุปปัดเฉธะมโนทวาราวชนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมแล้วก็โคตรภูมักผลผลเกิด อภิษฎเทว่าสองขณะแล้วก็ลงสู่กระแสประวังต่อไปจากนั้นอ อ, อันนี้เรียกว่าเป็นมรรควิถีนะวิถีของผู้บรรลุมรรคยานวิปัสนาญาณคืออนุโลมยานแล้วก็โคตรภูยานสืบต่อมามรรคยานผลลายานสืบต่อมาผลลายาน อ, อสองขนาดบางสามขณะดบางตรงนี้ที่ให้ดูตรงจุดที่ประสงค์เอาของ กรณีปัจจัยในรูปของการสืบต่อพิเศษที่เรียกว่าอนันตระกรมมักปัจจัยมัคคายานกับผลระยานระหว่างมัคคายานกับผลวิปัสนาญาณที่ทําสืบสืบเข้ามาเข้ามาเข้าม า, า, มาจนกะทั้งเข้าสู่มัควิธีก็มีวิปัสนาญาณ เ, เหมือนว่าเป็นโลกียสุดสุดท้ายนะ อ, อปรุงแต่งให้โคตรภูญานโอนโคตมัคคายานปรากฏขณะเดียวขณะเดียวนี่ วัดเวลาไม่ได้ตรวจเร็วเลยคือผลระยะสืบต่ออีกสอง <c oughs> กันนะก็ก็รว ด, ดเร็วมากและ ว, ว่าเร็วอย่างไรเนี่ยคนบรรลุท่านว่าจับได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับคนปฏิบัติเพราะว่าคนปฏิบัติเนี่ยเขาเขากําหนดรู้จิตความเคลื่อนไหวของจิตของรูปจนกระทั่งเป็นเรื่องไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะฉะนั้นความรู้สึกวัดหนึ่งเนี่ยถ้าจับได้ เพราะว่าสตินั้นคมลึกไวทั้งไวทั้งลึกก็จับได้ <c oughs> หลายๆบางท่านที่เป็นวิวัศสนาจารย์ผ่านมรรยาบริยายก็บอกว่ากระนานหนึ่งจับได้อันนี้ก็เป็นการยืนยันเราก็ไม่ได้รู้นะแต่ว่าท่านผู้ปฏิบัติถิ่นท่านเนี่ยท่านบอกว่าจับได้ฝึกโดยหลักความคิดธรรมดาว่าคิดมันก็ดับเร็วปรืออย่างนี้ไม่น่าจะจับได้ ก็เพราะว่าเราคาดคะเนหรือคิดจะจับเอาด้วยจิตที่ไม่ได้อบรมแต่เมื่อจิตของผู้ใดที่อบรมแล้วก็จะเห็นจิตที่เกิน ด, ดับไปนขณะโดยอาการจับได้แม้แต่จิตธรรมดาพอมาถึงมรรคถึงผลเนี่ยยิงยิงยิงจับได้โดยแน่นอนนีเ <c oughs> ระว่างมรรคกับผลที่ บทธรรมคุณสเสริญว่าอากาลิโกอากาลิโกอากาลิโกเนี่ยเราอธิบายกันเป็นสองแบบแบบหนึ่งเป็นแบบอธิบายเป็นเชิงศาสนาโภมจันทร์อีกแบบหนึ่งคืออธิบายเป็นแบบมรรคโภมจันทร์มรรคโภมจันทร์คือขณะมรรคถ้าศาสนาโภมจันทร์เนี่ยหมายถึงอเรื่องของาศาสนาวะศาสนาพุทธนั้น คงทนเป็นธรรมะในแล้วก็ต้องหมายถึงในความหมายหนึ่งด้วยอาการเลโก้คือหมายถึงความจริงที่ศาสนาสอนนั้นไม่ขึ้นกับการไม่ได้แปลว่าศาสนาพุทธไม่เสื่อมไปตามกาลเมื่อไหรเมื่อไหรก็ยังคงอยู่กำฟ้ า, ากำบินใช่ไหมอธิบายด้วยงั้นก็ผิดอีกอก็เลยต้องหมายเอาตรงนี้อธิบายกันแบบเป็นอย่างนี้แต่ความหมายที่ท่านประสงค์เอาในทางลึก คือมรรคยานเกิดและผลยานเกิดทันทีแบบสืบต่อกันเพราะฉะนั้นกรณีตรงนี้นะครับมักเป็นกุศ ล, ลกรรมผลเป็นกุศลวิบากและมักเป็นเหตุเป็นกุศลกรรมที่เป็นเหตุผลเป็นกุศลวิบากรรที่เป็นผลของมักจึงนับว่าเป็นกรณีพิเศษจริงๆว่ากรรมเนี่ย โดยปกติก็มีข้อกำหนดว่าจะเกิดซ้อนซับซ้อนอยู่กับวิบากไม่ได้คือกรรมทําเดี๋ยวนั้นวิบากได้รับสวนขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนั้นไม่ได้นี่โดยหลักกฎแห่งกรรมแท้ๆในแง่ของนันนาคานิกะก็มมาปัจจัยอย่าไปเอารูปลักษณ์ของปัจจัยอื่นมาอธิบายมันคนละกระแสปัจจัยกัน ในแง่ของกระแสปัจจัยในแง่ของเวรกรรมเนี่ยจะเกิดซ้อนกันเดี๋ยวนั้นไม่ได้และเพราะไม่เกิดทับซ้อนกันนั่นเองท่านจึงเรียกว่านานักกณิกะกรรมะปัจจัยถึงระบุคำนี้ลงไปทีนี้นานักกณิกากรรมะปัจจัยของกรณีกรรมอื่นเนี่ยถึงแม้ว่ากรรมบางอย่างจะให้ผลเร็วภายในเจ็ดว แต่เจ็ดวันเนี่ยถ้านับโดยขนาดจิตแล้วห่างกันหลายขนาดจิตแล้วเกินใช่ไหมมันไม่ใช่ขนาดสืบกันหรือไม่ใช่มีขนาดอื่นมาขั้นสองสามขนาดห่างกันนับขนาดไม่หวาดไหวไม่ได้นับวันได้นับชั่วโมงอาจได้แต่มีกรรมชนิดหนึ่งคือโลโกะตะละการรมมักเป็นโลโกะตะละกาุศลกรรมทําแล้วเกิดแล้วด้วยวิธีทางภาวานาใหม่ ในบุญญยาวตัตถุศิษ์เอานามัยาผู้นเนี่ยนะทำแล้วเ <c> ก <oughs> ิดผลปรากฏทันที <c oughs> โดยไม่มีระหว่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะ่จึงเป็นอนันตระปัจจัยซ้อนกันอยู่สองลักษณะคืออนันตระด้วยแล้วก็นานักธนิกะด้วยท่านจึงเรียกว่าอนันตระธรรมะ ปัจใจอนันตรกรรมะมปัจจัยเป็นอนันต ร, รปัจจัยด้วยแล้วก็เป็นนานักนิการกรรมะปัจใจด้วยนั่นเองก็มีอยู่เฉพาะกรณีนี้เท่านั้นกรณีอื่นนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้จึงเรียกว่าอากาลิโกไม่ต้องรอโลกุตระธรรมเนี่ยนะไม่ต้องรอแมตรงนี้เราก็ไม่ลำบากแล้วไม่ต้องรอแม้แต่กว่ารอว่าจะมาถึงวิธีนี้เลยดมันมันจ้าตรงนี้แหละว่าจะสร้างบรารมีมาเกิด โลกุตะลาวิถีเนี่ยนะครับไม่รู้กี่ปีดีดักนานเหลือเกินแต่พอมาถึงแล้วก็ไปเลยถึงตรงนี้แล้วไปนี่ก็เป็นกลุ่มของปัใจจัยในส่วนที่เรียกว่าอำนาจการสืบขนาดของจิตอากาลิโกเป็นที่สุดในประเด็นสามนะตอนนี้มาพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งของปัจจัยคืออำนาจกายเป็นที่อาศัยของจิต คือความปัจจัยอันนี้ก็คือบ้านของจิตหรือที่สถิตของจิตจิตสถิตที่ไหนอโดยธรรมดาเนี่ยในเรื่องของรูปธรรมเนี่ยก็จะมีที่สถิตยอยู่นะครับตัวเราเองก็มีที่สถิตยอยู่สถิตยอยู่แบบเป็นที่อยู่หลักหรือเป็นที่ทําการเป็นที่ทํากิจอื่นได้ก็มีที่สถิตในเอ เป็นที่นั้นๆโดยการขับเคลื่อนเวียนวนอยู่ในภพภูมิที่เราเกิดแล้วและการที่เราได้ถือกำเนิดเกิดเป็นสัตว์ในคติใดก็จะมีที่สถิตยอยู่ในคตินั้นก็เป็นเทวดาวก็อยู่ที่หนึ่งเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งถึงแม้บางทีจะทับซ้อนกันอยู่บ้างแต่มันก็มีมิติมีส่วนแง่ที่เป็นของตนของตนที่อยู่แยกกัน รวมกันก็เหมือนแยกกันแยกกันก็เหมือนรวมกันรวมกันในในบางแง่บางอย่างนะนั่นก็เป็นที่สถิตโดยภูมิทีนี้พูดถึงว่าโดยสภาวะธรรมเนี่ยจิตก็มีที่สถิตที่สถิตของจิตเรียกว่านิสัยนิสัยในภาษาบาลีแปลว่าที่อาศัยหรือบางทีเรียกวัตถุนะครับวัตถุก็เรียก วัตถุปแปลว่าที่ตั้งนิสัยปแปลว่าที่อาศัยความเป็นอันเดียวกันจิตนั้นมีที่อามีที่สถิตที่สถิตของจิตนั้นถือเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของจิตนั้นจิตทั้งดวงเลยแล้วก็เมื่อถามว่าจิตเป็นที่มีที่สถิตอยู่ที่ไหนคือถ้าพูดโดยนัยยะพสูตทั่วไปท่านจะพูดว่าเทหะ คือร่างกายเทหาเนี่ยเราไปใช้ในทางวิชาทางโลกทางอาวิทยาศาสตร์แต่ว่าในทางธรรมะเรียกเทหาเรียกร่างกายว่าเทหะเทหะสันเทหะแล้วเรียกอย่างอื่นอีกหลายอย่างด้วยกันร่างกายเป็นที่สถิตของจิตร่างกายเป็นที่สถิตของจิตอ่าพระสูตรก็โดยมากพูดเป็นลักษณะรวมๆอย่างนี้และบางสูตรก็พูดเป็นลักษณะแยกกรณีของความรู้สึกนึกคิด ว่าความรู้สึกนึกคิดหรือการรับรู้ในสภาพใดอยู่ที่ใดเช่นเมื่อตาเห็นรูปก็อยู่ที่ตานะะหูได้ยินเสียงก็อยู่เจ้าวิญญาณ น, นั้นก็อยู่ที่หูซึ่งใ้การอยู่เนี่ยมันอยู่แบบค่อนข้างคือในธรรมะเนี่ยจะพูดแบบ ถึงจะพูดว่าอยู่แต่ค่อนข้างจะพูดแบบเลื่อนลอยไอ้คำว่าเลื่อนลอยเนะี่ยมันก็อยู่แบบเลื่อนลอยนะคือพูดเพื่อให้มีความรู้สึกไม่ใช่ลงหลักปักใจแต่พูดเป็นลักษณะว่าเพราะเหตุปัจจัยประจุมที่ไหนความรู้สึกปรากฏที่นั่นความรู้สึกปรากฏที่ไหนคือใจอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่นั่นนั่นเอง เสร็จแล้วนก็วบแวบไปเหมือนไบฟ้าพูดแล้วท่านพูดเหมือนกับให้เด็กๆคนรู้สึกเหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่ไปอยู่ในที่ไหนที่ไหนเนี่ยมันไม่มันอยู่ไปตามเหตุปัจจัยเท่า น, นั้นเองก็เพราะว่าพูดเพื่อให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแต่บางทีก็เปรียบเทียบเหมือนกับเอาพินมาดิดติดก็เกิดเสียงขึ้นเสียงไม่ได้ติดอยู่ที่เส้นพินไม่ได้ติดอยู่ที่ปลายนิ้ว ไม่ได้ติดอยู่ที่รางพินแล้วก็ไม่ได้ติดอยู่ที่ตัวคนดิดไม่ได้ติดอยู่ที่ไหนไม่ได้ปรากฏอยู่ก่อนรอว่าดิดเมื่อไหร่ก็จะดังทันทีประเภทเสียงโจยโอกาสอะไรเงี้ยไม่มีมันก็เลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยจิตเราเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่เพราะว่ามันมีเหตุวิปปัจจัยเรียงคือถ้าพูดว่าตัวเราเป็นรางพิน หรือเป็นดนตรีก็เล่นทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมเลิกลาเลยจิตเลยปรากฏแล้วแล้วเล่าๆตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเพราะการประชุมกันขึ้นของเหตุของปัจจัยต่างกันแต่ว่าเป็นจิตอะไรแตกต่างกันนะั่นเป็นการแยกชนิดของกระแสะเหตุปัจจัยออกไปออกไปอีก แต่ก็ยังเป็นจิตเป็นเจตสิกอยู่วันอย่างค่ำนั่นเองนั้นก็เลยเหมือนเลื่อนลอยอ่ะครับเลื่อนลอยที่สมองถามว่าที่สมองจิตสถิตไหมสถิตเช่นลองหลับตานึกถึงเข้าไปในสมองมีความรู้สึกอย่างไรในสมองไหมรู้สึกใช่ไหมรู้สึกเครียดก็ดีรู้สึกเบาก็ดีรู้สึกปโปร่งก็ดีเป็นถามว่าเป็นจิตไหมนะ่ะ เป็นจิตนึกถึงปลายเท้ารู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกก็ลองยิกๆดูก็ได้หรือเอาปลายเท้าขุดๆูไปกระทบอะไรก็ได้ก็เกิดความรู้สึกขึ้นจิตก็สถิตที่นั่นเพราะฉะนั้นที่พระพุทธศาสนาพูดเนี่ยพูดในลักษณะว่ามันปรากฏมันอยู่ที่นั่นและให้พูดเพื่อให้ดูดูเพื่อรู้วอจิตมันมันปรากฏ ต, ตรงนี้ มันถึงเลื่อนลอยอ่ะนะะมันเหมือนหล่ะแหละเลื่อนลอยไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดูว่ามันมีเหตุมีปัจจัยอะไรปรากฏกลุ่มกันขึ้นมันถึงได้ความสุกอย่างนั้นพอเห็นอย่างนี้เนะี่ยมันก็ไอ้ความยึดถือมันไม่มีมจริงๆนะครับว่าคนพอไปจับเห็นธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยกับมันนะเหนื่อยกับมันมือนพูดว่าไงนมันไม่ใช่เหนื่อยจริงอนะเหนื่อยกับมันเหมือนเด็กซน อย่างเนี้ยที่เลยเราจะไปฝากผีฝากไข่กับมันไม่ได้เลยมันเองมันก็เดี๋ยวก็รับไปนะเดี๋ยวก็รับไปตอนนี้ตามเหตุตามปัจจัยขึ้นมนไม่เป็นตัวของตัวเองนะเราจะไปฝากผีฝากไข้กับมันก็ไม่ได้และไอ้จิตขณะใหม่เกิดขึ้นจากเหตจากปัจจัยใหม่มีสภาพเป็นอย่างหนึ่งต่างจากจิตเก่าที่เกิดขึ้นจากปัจจัยอีกแบบหนึ่ง แล้วก็ดับไปไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราก็จะจับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยยาณยาด้วยสติธรรมยายาที่กำหนดเห็นทีนี้มาดู <c oughs> กรณีที่แบ่งไว้ใน <c oughs> ส่วนของนิสยะปัจจัยนี่นะครับคือที่แบ่งไว้เนี่ยพยายามแบ่งตามเงื่อนแง่ของเนื้อหาทาง ปัจใจยีส่สี่ถ้าหากว่าเราเล็งส่วนพวกนี้ชัดแล้วก็ไปเรียนปัจจัยี่สี่โดยพิสดารจะไม่หนีไปจากนี้เลยครับเขาก็จะพูดถึงมุมนั้นมุมนี้เพียงแต่ว่าขณะนี้นะผมยังออกจะพูดอย่างไม่ลงตัวเลขเท่านั้นเองถ้าลงตัวเลขหมายความว่าอย่างเช่นปฏิสนธิจิตมีกี่ดวงมีเจตสิกเท่าไหร่ แล้วก็ปฏิสนธิกรรมมชรูปเนี่ยที่บอกปฏิสนธิกรร ม, มชรูปยี่สิบมีอะไรบ้างของสัตว์ในภูมิไหนมีข้อยกเว้นข้อสากลอย่างไรนี่เป็นเรื่องรายละเอียดซึ่งคงไม่ได้พูดพูดก็คือว่าให้รายละเอียดเป็นส่วนๆไปก็ยังนึกว่าอาจจะทําเป็นเอกสารอาใสตัวเลขมาให้และอธิบายมีอะไรบ้างอย่างเงี้นะอย่างเงี้ยปฏิสนธิกรรมมชรูปยี่สิบมีอะไรบ้าง แจกแล้วก็ไปาหานเอาตัวใครโดมันหรือเอาไว้ไปร่ำเรียนกันภายหลังก็จะทำให้ได้ส่วนแทงหลักแล้วก็ได้รายละเอียดแทงหลักตามส่วนนั้นๆครบหมดทำให้เราจะจะชัดเจนในเรื่องของปัจจัยยี่สิบสี่ซึ่งมีเนื้อหาแบบพอร์ตรูปเท่านี้เท่านั้นเองก็นี่มาดูว่าอำนาจ ของกายใช้คํำว่ากายเนี่ยก็คือร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะครับคือในถ้าเป็นในขณะปฏิสนธิจิตหะทายวัตถุเป็นที่ตั้งแก่ปฏิสนธิจิตอ่วาวยเป็นวัตถุสหาชาตินิสยะและอัญญาัญญาปัจจัยก็เพราะว่าในขณะที่ปฏิสนธิอย่างลง หาศัยรูปที่เกิดขึ้นคือที่อาศัยของจิตขณะนั้นที่เป็นกะลาระเล็กๆถ้าเป็นเป็นสัตว์ที่เกิดในคับปัสยกะบเนี่ยนะเกิดในคันก็เป็นอัตรภาพเล็กๆเป็นกะลาระเล็กนิดเดียวเขาบอกกลาร ะ, ะกระเซลเนี่ยบางทีจะเป็นศัพท์ที่ที่เอามาจากกะลาระในภาษาบาลีเขาใครก็สังเกตกนคงไม่จริงจังอะไรนะ ใครจะไปมีลองรอยอย่างอื่นนี้ชัดเจนกว่าก็ไปคนกว้าเอาก็อย่างที่ว่าครับว่าเมื่อเราลงนึกดูนะะว่าเรามาเกิดเป็นเหล่าเนี่ยในคันของมารดาหรือสัตว์ที่เกิดแบบสังเสรชาพวกโอเบปติกะเกิดตามรากไม้บ้างเกิดตามใบไม้บ้างดอกไม้บ้างเป็นเป็นเชื้อ เป็นเชือ้อเป็นวัตถุดิบให้ปฏิสนธิยั่งลงให้ปฏิสนธิที่มีกรรมมาด้วยมาเป็นตัวผันแปลว่าเป็นอัตภาพเนี่ยก็มันไม่ไดเอารูปมาจากไหนก็อาศัยรูปที่เป็นเชื้ออยู่ทีนี้อย่างเชื้อพ่อเชื้อแม่เนี่ยเราเคยถามกันว่าหรือเคยสงสัยกันเองก็เคยคือหมายถึงผมเคยสงสัยเคยถูกถามเคยถามทั <designs> ้งสองตั้งตังงั้งอย่างตั้งสองอย่างคือ อาสัมภวทาสของบิดามารดาเนี่ยถามว่ามีชีวิตไหมเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตเนี่ยก็ตอบแบบธรรมะกขาบอกว่าเป็นชีวิตตารูปแต่ไม่ใช่สัตว์เพราะสิ่งมีชีวิตนี่ไม่จําเป็นต้องเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตมีสองอย่างมีชีวิตอย่างเป็นสัตว์กับมีชีวิตอย่างไม่เป็นสัตว์อตทางรูปอภิธรรมเนี่ยบอกว่าแม้แต่ ผมเนี่ยก็มีชีวิตแต่ไม่เป็นสัตว์โอ้เมื่ยังไ น, นไอ้พวกช่างตัดผมตกนรกไม่ได้พูดได้เกิดมันตัดเป็นหนุ่มจนแกเงี้ยนะมีชีวิตแต่ไม่ใช่อัตภาพเพราะถ้าจะเกณฑ์ให้มันมีชีวิตหมดตัวเราทั้งตัวนมันกี่ชีวิตฆ่าคนเดียวเนี่ยตายกี่คนแหมแล้วไปฆ่าคนอ้วนๆเรายิงหนักเลยบาปหนักเลย แต่เราเป็นคนพอจะเป็นคนวัดวัดรู้เกณฑ์ น, นี้เป็นมือปืนรับจ้างต้องเลือกเราเอาผอมๆผอมๆกิดราคาถูกหน่อยเพราะบาดน้อยแพงๆเอออ้วนๆก็เอาราคาแพงๆหน่อยเพราะบาดมากถึงจะเอาแต่อย่างงั้นเดี๋ยวท่านจะเนืวกว่าเอ๊ะแล้วที่หลักปานาติบาสข้อหนึ่งว่าไว้ว่าค่ายุงกับค่าชยางนี่ใครบาปมากกว่ากัน นะข่าช้างบาปมากกว่าใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าเป็นยุงโพดิสัตว์ล่ะตอบว่าโพธิสัตว์ไม่เกิดเป็นยุคไอ้ที่บาปมากกว่าไม่ใช่อธิบายตรงนี้นะไม่ไม่ใช่อธิบายถึงหน่วยของชีวิตว่าช้างมีหน่วยชีวิตเยอะแต่อธิบายว่าข่าใครใช้ความพยายามมากในอันหนึ่งนะฮะสัตว์กายใหญ่ต้องใช้ความพยายามมากนี่คือไม่ จะบาปเนี่ยมันมีไอ้เหตุปัจจัยที่จะเป็นตัวบอกว่าบาปมากวาน้อยไม่ใช่เฉพาะตัวเล็กตัวใหญ่นะบางทีตัวเล็กแต่เามีคุณมากก็บาปมากไม่แน่หรือตัวตัวตั ว, ต ว, ต ว, ตวเล็กขว่าแต่ว่าฆ่าด้วยเครื่องประหารที่ไม่ต้องพยายามมากไอ้ที่ต้องพยายามมากฆ่ายากฆ่ากันเรียว่าสุ่มข้ามปีวางแผนข้ามปี อย่างนี้ก็บาปมากหน่อยเพราะฉะนั้นสัมภะธาตุของพ่อแม่เนี่ยนะฮะตอนที่ปฏิสนธิยังไม่อยางลงถือว่าเป็นชีวิตที่เป็นหน่วยหนึ่งของชีวิตเก่าเท่านั้นเองเลือดเราเป็นหน่วยหนึ่งของของสัตว์หนึ่งพอสูบออกมาจากร่างกายเราไปให้คนอื่นก็กลายเป็นส่วนของ ชีวิตอื่นกรรมคนอื่นก็รับไปกลับไหมรับเอาเนื้อไปไปปลูกที่คนอื่นกรรมคนอื่นก็รับไปถือครองไปแวาไ้เรื่องถ่ายเทมันถ่ายเทก็ได้อาหารเรากินยังถ่ายเทกัมนมาเลยใช่ไหมไปกินสัตว์เข้าทานอาหารในสัตว์สารอาหารในเนื้อสัตว์ก็กลายเป็นอันตภาพของเรามันมันผ่านลักษณะกระบวนการอย่างนั้นหลายอย่าง ถึงแม้ว่าบางกรณีมอาจจะถ่ายกันไม่ได้มันก็มีทั้งถ่ายได้ถ่ายไม่ได้แล้วแต่ไอสภาพของกรรมมรูปในแต่ละคนแต่ละเงื่อนไขแตกึึงแตกต่างกันก็เป็นนั้นว่าสัมผวสทายของพ่อแม่เกิดในคันเนี่ยเป็นชีวิตตระรูปซึ่งยังไม่แยกอัตภาพยังไม่ไม่เป็นอัตภาพของเรา เมื่อปฏิสนธิอย่างลงกรรมเข้าไปถือคลองเข้าไปถือเอามาเป็นอัตภาพของตัวก็กลายเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสัมรัว่ า, ว ถ, าถ้าพ่อแม่ถ้าปฏิสนธิยังไม่อย่างลง <S <S 1> <S 1> เราไปทำให้ตายปานาธิบาตไหมไม่ปานาธิบาตแต่เมื่อใดปฏิสนธิอย่างลงเนี่ยในวินัยก็บอกเลยว่า ภิกษุหรือผู้รักษาเสียงข้อหนึ่งก็ตามไปทำให้ปราศจากชีวิตทำให้ตายเป็นปาณาติบาต ท, ทันทีเคยมีคนมาเขียนจดหมายมาถามว่าทาแทงเคยทำแท้งก็เป็นคนมีการศึกษานะ ก็มาไม่เล่ากันว่าเป็นใครที่ไหนแล้วก็บันพุทธบุตรก็เคยเข้าวัดเขาวาแต่ตัวไม่ได้เข้าทีนี้เขาก็ไปทําแทงเขาก็ไม่ได้คิดว่าบาปเบิกอะไรหรอกนะตัวทั้งมาฟังธรรมะตรงนี้ชัดๆเข้าก็รู้เอนี่บาปแต่ก็ไม่แน่ใจไม่อยากให้เป็นบาปก็ว่าให้ทํำไงดีอเนี่ย เพราะว่าไปทําแทงแ้งเสรแล้วทําแท้งเนี่ยก็คือก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเหตุผลด้านอื่นคือว่ายังไม่พร้อมจะมีก็แต่งงานแต่ ก, การแต่ว่าตอนนั้นยังไม่พร้อมมือเลยทําแท้งที่นี้เขาบอกตอนนั้นนะเขาเข้าใจว่าบิน ญ, ญาณยังไม่กึกไม่ปฏิสนธิเด็กกอจะกี่เดือนโขมําไม่ได้แล้วนะบิน ญ, ญาณยังไม่ปฏิสนธิเลยไปทําแทง้งแล้วก็ยังสบายใจเรื่อยมาจะมาเรียนธรรมะเนี่ยหมด หมดความสุขเลยนี่แล้วจะให้ต่อยยังไงจะให้ผมโก้เขาบอกโอ้ไม่แล้วคุณนอนหลับเว อ, อสบายใจเถอะไม่เป็นปานาติบาแล้วพูดความจริงอย่างนี้ไอพูดความเจตอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมตั้งธรรมทานถือว่าเป็นปานาติบาตแล้วเป็นสัตว์แล้วนะนี่เป็นเป็นเนื้อเป็นตัวมาแล้วยิง่งยิ่งแน่นอนเลยท่านเอาตั้งแต่ปฏิสนธิย่างลงก็เป็นแล้ว ก็เลยก็เลยต้องเป็นนี่เป็นแล้วก็แต่จะทำยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึงเจตนาว่าไงอ๋ อ, อ, อแหมเสียงเสียเราเลยเลยเอาเอ า, เอาเรื่องนี้มามาคุยกันฟังซะหน่อยเดี๋ยวจะไปได้ใจทำกันใหญ่ <c oughs> หนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตองค์ปานอธิบาตนะฮะสองรั่วสัตว์นั้นมีชีวิตสามมีจีเกจ่า สี่พยายามฆ่าห้าฆ่าสำเร็จนะฮนะเออเออเดียต้องถามหมอที่นั่งนี่หมอเรียนธรรมมาคงตอบได้ดีเอาเดี๋ยวว่าตรงนี้ว่าสมมุติว่าเรารู้เราเราเราไปฆ่าสัตว์เนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะแล้วก็ไปทำให้ให้ตายทีนี้ไอ้การที่ เราไปฆ่าสัตว์โดยที่ไม่รู้ว่ามีชีวิตเนี่ยมันมันันขัดแย้งกันหรือเปล่านี่กรณีถึงไอ้กรณีที่ว่าเราไปทําให้เด็กตายเรารู้ว่าเขามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตกันแน่รู้หรือไม่รู้กันแน่กรณีเนี้ยไม่รู้ว่ามีชีวิตจยรู้หรือไม่รู้เนี่ยตรงนี้ต้องต้องพิจารณาดยูอีกทีนะคิดว่าไอ้คาว่าไม่รู้เนี่ยเขาอาจจะาอาจจะมีความหมายว่า มีจิตมีวิญญาณอะไรแต่อะไรแล้วเดี็กก็เลยบอกเอย้ยิ่งไม่รู้บาปอีกครับบอกยิ่งไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นบาปนี่ขอความเห็นใจเพราะว่าไอ้จริงๆเนี่ยคือว่าถ้าเราไม่ทําให้ก็ตายเขาจะต้องเจริญเติบโตใช่ไหมเขามันไม่ใช่หุ่นไม่ใช่ตุ๊กตาเนี่ยใช่ไหมฮะแต่รู้ว่าไอ้ถ้าเราไปทําอย่างนี้เขาจะไม่มีโอกาสเจริญเติบโตเขาถ้าเราไม่ทําแล้วเขาเจริญเติบโตได้ไ อ, อย้ยางนี้มันก็เหมือนว่า มันรู้ว่ามีชีวิตในสภาพในเชิงข้อในจริงแต่ว่าในเชิงไอจิตวิญญาณ อ, อะไรแต่ไรเนี่ยอาจจะพูดว่าเอ๊ะคนมีวิญญาณหรือเปล่าอะไรหรือเปล่างี่นนะแต่สมมติว่าบอกเออเราไปฆ่าคนตายบอกเราไม่รู้นะเนี่ยเราเชื่อว่าคนไม่มีจิตไม่มีวิญญาณ <c oughs> มันก็ไม่ได้ <c oughs> กินข้าวได้อะ่ะมันยังโง่อย่างงี้ได้มันก็เหมือนว่ารู้เป็นแต่เพียงว่าความเข้าใจทราบซึ้งในทางหลักของชีวิต องประกอบชีวิตนั้นอาจจะไม่เต็มทีนะ่ตรงกรณีอย่างนี้ต้องถือว่ารู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะไม่ใช่ไม่รู้เป็นสิ่งมีชีวิตทีนี้ถ้าเป็นการทำอย่างอย่างไม่รู้จริงๆเนี่ยมันก็นก็คืออะไรที่มันไม่มีไม่เป็นอย่างที่เราก็ใจได้ก็คือรู้ว่า ม, มีชีวิตช่วยเอาไปอธิบายต่อหน่อยนะเอทีนี้ถ้าสมมติ ว, ว่า ตัวไม่ได้ทําคนอื่นทําล่ะบาปจะตกเป็นของใครบอกไม่ใช่คนละซึ่งละคนละเต็มเต็มเต็ ม, เ ต, มเต็มคือครบองคืคอคนที่ไปทําเนี่ยก็คือเหมือนคนเหมือนคนไปจ้างมือปืนนะนะหมอก็คือมือปืนลัวจ้างอาพนะก็จะทํได้วยเจตนาอย่างไรยังไงนะั่นก็เป็นรายละเอียดที่เป็นเพิ่มหรือลดน้ำหนักของความบาป ลงไปนะฮะฉะนั้นพูดแล้วก็ชวนอึดอัดมากอึดอัดว่าแหม้แล้วจะให้ทํำยังไงมันมีกรณีอะไรหลายอย่างนะมันรู้มั้ว่าไอ้ไอ้บุญกรรมชั้นละเอียดเนี่ยมันก็ท้าทายผลประโยชน์ท้าทายการเสียสละของเรามากนะว่าจะเริ่มจําถ้ามันมีอะไรที่จําเป็นเนจำเป็นจะต้องไปทําอย่างเงี้ยเชื้ออะไรเงี้ยนะซึ่งบางทีถ้าเราเชื่อกรรมแล้วบางทีไอ้ ไปทำอะไรเป็นลักษณะที่เรียกว่าเพื่อป้องกันอะไรบางอย่างแล้วไปต้องไปทําอย่างนี้บางทีมันก็มาเป็นเวรกรรมตามหลังเหมือนกันผมก็แอบดูนะะไม่ไม่กล้าพูดชัดเจน่ะแอบดูว่าโอ้มันเป็นมันเป็นเวรเป็นกรรมเหมือนกันที่ต้องไปทําอย่างนั้นด้วยสิ่งที่บางทีมองว่าจําเป็นเนี่ยนะแต่มันก็มาเกิดเรื่องเสียหายเพราะตัวได้ไปไปทําลายชีวิตคนอื่นเขาอเ อ, อ่าอ่าเข้าใจเข้าใจ อืมอืมอืมอืมก็ไอ้ตรงนี้อะครับมันถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่เราจะเสียสละกับความถูกต้องได้แค่ไหนกับกุศลธรรมได้แค่ไหนนะฮะเคยว่าเรารู้เนี่ยเขาจะเกิดมาจะต้องพิการเราบเขาควรจะตายตายแล้วเขาไปไหนก็ไม่รู้ แค่นี้ไอ้นั่นก็คิดอย่างหนึง่งจะคิดว่าอะไรอะไรเนี่ยมันก็มีเหตุผลในใจยอยู่แต่ว่าถ้าให้เขาเกิดมาแล้วก็เลี้ยงเขาอะไรเขาอย่างนั้นจะเป็นทางที่ดีกว่าบัวไม่ยามน้มําให้ฝุ่นนี่พอพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็เหมือนกับว่าเรานี่จะไปเที่ยวรับประกันว่าแล้วใครจะเลี้ยงกูจะเลี้ยงมไม่ล <laughs> ะเราไปเจ อ, องี้ยวบอกเอามาซี เราอาจจะฮึดขึ้นมาเปิดรับบริการเลี้ยงลูกแบบนี้ก็ก็ได้แต่ว่าเราก็รู้ว่าเราถ้าเราเสียสละได้มากเนี่ยมันก็มีผลตอบกลับมากถ้าเราเสียสละน้อยแล้วก็ในความไม่เสียสละนั้นมันไปเสี่ยงกระ บ, บาบมันก็มีสิ่งสูญเสียผมผ่านเลยมาถึงเรื่องหลังปฏิสนธิ ถ้าเป็นหลังขณะปฏิสนธิวัตถุหกเป็นที่ตั้งของจิตหกกรณีของหลังปฏิสนธิก็คือสภาพปกติจิตธรรมดานี่นะซึ่งมีความแตกต่างกับตอนปฏิสนธิตรงที่ท่านในปฏิสนธินั้นะถือว่ารูปก็เป็นปัจจัยแก่จิตและจิตก็เป็นปัจจัยแก่รูปด้วยเป็นการอาศัยรูปอย่าง ปฏิสนธิเป็นปัจจัยด้วยเนื่องจากว่าถ้าปฏิสนธิไม่หยางลงสัมภาวาธาตุนั้นก็ไม่ได้ถึงฐานะของความเป็นวัตถุรูปหรือเป็นอัตภาพเพราะปฏิสนธิหยางลงนั่นเองจึงทำให้รูปนั้นกลายเป็นอัตภาพขึ้นมาและเป็นที่อาศัยแก่จิตด้วยเป็นอัญญะมัญญะปัจจัยกันอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ย ก็ก็ถือว่ากรรมนั้นสร้างอัตภาพขึ้นมาแล้วเชี่อนจากสุวิญญาณเป็นต้นที่ไปอาศัยประสาตตาประสาตตาไม่เดือดร้อนว่าจากสุวิญญาณจะอาศัยหรือไม่อาศัยเขาก็เป็นประสาตตาของเขาอยู่แล้ววันยังคําจึงไม่เป็นอนญญาตบญญยาประจกันอย่างนี้ hmm. จาก น, นี้เราพลิกไปดูหน้าสองในหน้าที่สองซึ่งเป็นประเด็น ที่เจ็ดนะอำนาจจิตเป็นผู้กํากับกายอันนี้ก็เป็นแง่มุมของปัจจัยที่มีทั้งส่วนลึกส่วนตื้น <c oughs> ที่ที่เป็นวิปยุทธปัจจัยที่เรียกว่าวิปยุทธเพราะว่ากายกับใจเมื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันในลักษณะประกอบเจือคือเพราะว่ากายกใจนั้นแยกส่วนกันประกอบเจือกันไม่ได้ จึงเป็นวิปยุตปัจจัย <c oughs> ซึ่งมีสองกรณีก็มีหนึ่งมีพลังกระทำกายหรือวาจาให้เคลื่อนไหวได้สาชาติวิปยุตปัิจัยใช้คำภาาชาติเนื่องจากว่าจิตขนาะนั้นเท่านั้นจึงบังคับกายได้กระทํากายได้แล้วก็กายขณะนั้นเท่านั้นจึงถูกจิตกระทําได้อย่างเช่นยกมืออย่างนี้นะ จิตสั่งให้ให้ให้มือขณะนั้นยกเรียกว่าจิตตาชรูปมือที่ยกขึ้นเป็นจิตตาชรูปหรือยิ้มก็เป็นจิตตาชรูปขนลุกก็เป็นจิตตาชรูปก็พลิ้ตาก็เป็นจิตตาชรูปสูบฉีดโลหิตเป็นจิตตาชรูปและความเคลื่อนไหวของของกลุ่มรูปที่มองไม่เห็นภายในที่คนปฏิบัติทางจิตแล้วถึงเห็นได้หรือการเดินพลังของจิตเขา พลังปราณพลังจี้กงเนี่ยจิตจะเชรูปทั้งนั้นมีทั้งจิตจะชรูปประจํามีทั้งจิตจะชรูปจรและจิตจะชรูปจรก็ดีประจําก็ดีละเอียดละเมียดละไมเป็นคุณเปนประโยชน์เกื้อกูลต่อสุขภาพต่อการเคลื่อนไหวแค่ไหนอย่างไรก็อยู่ที่ความประณีตของจิตเป็นตัว บ, บังคับทีนี้ไอ้จิตจะประณีตแค่ไหนก็มีเหตุปัจจัยหนุนกันมาเป็นตับเป็นแถว อาจสิ่งเลยลึกออกไปอีกปัจจัยอย่างนี้เป็นปัจจัยที่เห็นชัดถามว่านั่งเนี่ยใครควบคุมใครใครบังคับจิตบังคับใช่ไหมจิตบังคับเรานั่งเนี่ยจิตบังคับนอนก็จิตบังคับแห่นอนอันนี้เป็นจิตแต่จรูปซึ่งมีเยอะ แต่นับโดยตัวจิตแล้วก็มีสิบเจ็ดลูปเรียกวจิตแตจะลูกสิบเจ็ดแต่นับโดยกรณีแล้วมากมายคำว่ากรณีหมายถึงกรณีเช่นอิริยาบทสี่นี่เป็นกรณีอิริยาบทย่อยเป็นกรณีและความเคลื่อนไหวภายในสลีล่าทั้งหมดเป็นกรณีอตรงนี้ง่ายทีนี้ที่ยากหน่อยลึกหน่อยก็คืออำนาจ กำกับกายของจิตในส่วนที่สองที่ว่าจิตมีพลังพยุงหรือประคองไว้เสมอนี่เป็นเป็นกรณีที่เรียกว่าปัจจาชาตาปัจจัยหมายความถึงจิตทุกขณะจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นมันจะมีพลังพยุงกายโดยปริยายคำว่าพยุงกายตรงนี้ไม่ใช่บังคับนะแต่พยุงให้ ให้มันมีสภาพมันจะเรียกว่าไงลอยตัวอยู่หรือเป็นไปจะไปอยู่เนี่ยไปยุงหารักษาไว้ไปยุงรักษาไว้อย่างที่ ว, ว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าอิดดับแม้ว่ายังไม่ตายนะฮะแล้วเรานอนร่างกายเรานอนอยู่ทิ้งไว้นา น, านๆร่างกายเสียหายนะ ใช่ไร่างกายเสียหายอาจจะเป็นแผลอาจจะมีข้อติดมีความติดขัดอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะมันมันไม่มีกายแล้วไม่มีจิตมาคอยพยุงมาคอยประกับประคองเอามาคอยบริหารแบบลึกๆไว้ก็ทำให้กลายเป็นคนขาลีบกลายเป็นคนที่มีร่างกายเสียหายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอำนาจจิต ทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่เว้นดวงใดดวงหนึ่งเลยครับมีพลังในการประคับประคองและพยุงร่างกายเอาไว้เรียกว่าปัดฉาชาตาปัดจะ น, นี่ลึกความเมื่อกี้นะครับเคนละอยากกรณีที่แปดอำนาจความคลุกเจือกันของรูปคาว่าอำนาจการคลุกเจือกันของรูปหมายความถึงความสัมพันธ์กันระหว่างรูปกับรูป ในลักษณะของการประปนกันโดยกรณีที่หนึ่งรูปหลักเป็นที่อาศัยแก่กันคาว่ารูปหลักเนี่ยหมายถึงมหาพุธลูกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในพระพุทธศาสนาตามความหมายทางพุทธศาสนาที่อาศัยกันเป็นรูปสำคัญพระนันตำรายาโบราณ จึงพูดถึงความสมดุลของธาตุดูความสมดุลของธาตุให้บริหารธาตุให้สมดุลแล้วก็การบริหารอิริยาบถแล้วในในลักษณะของคนที่ประพฤติธธ ร, รมก็ให้บริหารความสมดุลของธาตุอันนี้ด้วยอันใดอันหนึ่งยิ่งย่อนก่าการทําให้เกิดข้อขัดข้องและลักษณะทางธาตุ ของพระโพธิสัตว์เนี่ยาธาตุของท่านจะสมดุลไฟไม่ร้อนเกินไปดินไม่แค่ไม่แข็งแข็ง เ, เกินไปต่างๆอย่างนี้นะก็เป็นความสมดุลที่กรรมเป็นตัวสร้างมาให้ก็จึงอธิบายในนี้ว่ามหาพุทธลู่สี่กับมหาพุทธลู่สีในหน่วยเดียวกันเป็นสหาชาติปัจจัยหรือเป็นอัญญามัญญาปัจจัยกันปุดหนุนซึ่งกันและกัน ส่วนอีกสภาพหนึ่งก็คือรูปหลักเป็นที่อาศัยแก่รูปรองคือมหาพุตรลูกสี่เป็นที่อาศัยของอุ ป, ปาทายรูปยี่สิบสี่แต่อันนี้น่ะไม่ได้เป็นอัญญามัญญะถือว่ามหาพุตรลูกเป็นที่อาศัยแต่ไม่ได้อาศัยอุ ป, ปาทายรูปมหาพุทรูปจึงเป็นวัตถุดิบของอุ ป, ปาทายรูปอุปาทายรูปคืออะไรเช่นประสาทตาประสาทหูเนี่ย เรียกว่าเป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่เป็นลักษณะที่จะรับต้องอารมณ์ได้โดยเดิมทีเป็นมหมาพุทธรูปมาก่อนแล้วกรรมก็มามาผันแปลมาพุทธรูปให้เป็นประสาตาประสาทาาาาาูแล้วเวลากรรมหมดตาความเป็นประสาตาคุณสมบัติของความเป็นประสาตาก็แตกสลายสลายไปเหลือแต่ความเป็นมหาพูทธรูปในทางเนื้อสภาวะแต่ทางรูปแบบข้างนอกเนี่ย ทางทั้งรูปธรรมเขาไม่เอาเป็นสาะระครับเพราะว่าไอ้ลูกตาที่เรามาดองไว้เนี่ยจริงๆก็คือไม่มีความเป็นประสาตาแล้วและรูปอีกหลายๆรูปในนั้นที่เป็นอุปัติรูปไม่มีเพศชายเพศหญิงหรือรูปอื่นๆก็ไม่มีมีแต่ร่องรอยส่วนที่เป็นส่วนหลงเหลือในทางกายภาพเท่า น, นั้นเนื้อในไม่มีแล้วลสุดท้ายสําหรับประเด็นแรกนี้ในข้อที่เก้านะอํานาจที่ค้าจุนร่างกายไว้ คำว่าคำจูร่างกายไว้นี่ก็คืออำนาจที่หล่อเลี้ยงรักษาชีวิตหรือทำรงชีพไว้ดำรงชีพของเราไว้เนี่ยชีพหมายถึงร่างกายของเราให้เป็นไปอยู่เนี่ยมีอำนาจในทางรูปอยู่สองอย่างที่เป็นตัวหลักนะครับคือหนึ่งอาหารซึ่งเราต้องกินกันอยู่เสมอๆนี่แหละครับอันนี้เป็นตัวหลักที่เห็นชัดเจนมากและ สิ่งที่เป็นเครื่องรักษาชีวิตเอาไว้ในทางร่างกายก็คือรูปชีวิตอันนี้เราไม่ต้องกินเนี่ยไม่ต้องกินไม่ต้องหาตัวกรรมเป็นตัวสร้างชีวิตก็เกิดขึ้นจากกรรมแล้วก็ร่างกายในส่วนที่เป็นกรรมมันจะรูปที่ชีวิตรักษาก็คือเกิดจากกรรมเพราะนั้นเวลาคนตายเนี่ยก็คือสิ้นชีวิตตะลุซึ่งเป็นเครื่องรักษาชีวิตให้ดำรงอยู่คนนั้นก็ตาย ในช่วงแรกนี้เราพูดกันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันแล้วมาพูดต่อในส่วนที่เหลือก็ขอพักสักครู่นะครับท่านสาธุชนที่เคารพในช่วงนี้จะขึ้นประเด็นใหม่ที่ขึ้นหัวประเด็นว่าจำแนกสภาพสาระของปัจจัยยี่สิบสี่ ซึ่งก็หมายความว่าจะนำเอาสาระที่ได้กล่าวถึงในประเด็นก่อนมาจําแนกในแง่มุมสองอย่างนะครับอย่างแรกนันก็คือโดยความปรากฏชัดของตัวปัจจัยเราก็คงจะนึกเขียนว่าปัจจัย24นั้นบางอย่างก็เป็นเรื่องชัดเจนเข้าใจได้ทันทียอมรับได้ทันทีบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ่งยังเข้าใจไม่ได้ทันทีหรือ ไม่อาจที่จะปรงเชื่อโ ป, ปรงใจเชื่อได้ทันทีดังนั้นจึงได้แยกให้เห็นว่าปัจจัยบางกลุ่มนั้นเป็นปัจจัยที่ปรากฏชัดคือเข้าใจได้ทันทีเชื่อได้ทันทีก็ได้แก่อำนาจของความหน่วงน้าใจคือปัใจจัยในส่วนของอารมณะปัจจัยนี่นะครับเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ทันทีเพราะว่า ตลอดเวลารอบด้านรอบตัวของเรานั้นก็เต็มไปด้วยอารมณ์หลับตาก็มีอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่เราจิตสิ่งที่หน่วงน้าวจิตให้เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาโดยประการต่างๆนั่นคืออารามณปัจจัยเข้าใจได้ทันทีปรากฏชัดและในความปรากฏชัดของอารามณปัจจัยนั้นก็ยังมีว่าอารมณ์บางอย่างก็เป็นอารมณ์ชัดอารมณ์บางอย่างก็อาจจะชัดน้อยอารมณ์บางอย่างก็ เหมือนไม่ใช่อารมณ์นะครับคือว่าอย่างนิพพานเนี่ยก็ปรากฏโดยความเป็นอารมณ์อันนี้ก็ถือเป็นอารมณ์เหนือวิสัยและเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นของสาธารณะแก่คนทั่วไปถ้าเป็นรูปเสียงกินรถโผล่ต่อไปนี่ก็เป็นอารมณ์ทั้งนั้นแต่ปรากฏชัดสาหรับคนทั่วไปอ่านั่นเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับ อำนาจปัจจัยอย่างหนึ่งที่อยู่ในวิสัยเข้าใจได้ก็คืออำนาจก่ออุปนิสัยเพราะว่าอนิสัยหรือความเคยชินหรือความถนัดจัดเจนนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้เพราะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้เนี่ยเราถึงพยายามที่จะสร้างสมความถนัดจัดเจนระบบการเรียนการศึกษาการฝุกฝนในเรื่องของศิลปาศาสาร์ต่างๆก็ เป็นสิ่งที่ชาวโลกแสวงหาพยายามสร้างสรรด้วยความยอมรับในเรื่องเหล่านี้นั่นเองว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะพัฒนาได้ในเรื่องต่างๆเรียกว่าเป็นอำนาจทางอุปนิสัยอีกอย่างหนึ่งก็คืออำนาจทางความคลุกเจือกันซึ่งในที่นี้โดยสาราก็คือความรู้สึกนึกคิดหรือรสชาติของความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏชัด ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรปรากฏขึ้นเนี่ยบางทีคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เราเองนะเป็นผู้ที่จะรู้เองเพราะฉะนั้นเรื่องของอำนาจความคลุกเจือกันของนามหรือความรู้สึกที่ปรากฏนั้นจึงเป็นของปรากฏชัดเป็นปัจจัยที่ปรากฏชัดอีกอย่างหนึ่งคือความคลุกเจือกันของรูปอันนี้ก็เป็นเรื่องปรากฏชัดเช่นเดียวกันนะครับคือข้อที่สภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไรอย่างไรไม่ว่าจะเป็นความขัดข้อง ทางอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเบากายเบาใจหรือไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นโรคคาพาาโรคไฟไข้เจ็บเป็นหวัด ต, ต่างๆเนี่ยนะล้วนแล้วแต่เป็นความคลุกเจือกันของรูปที่มีสภาพสมคล้อยกันบ้างมีสภาพขัดกล้องบ้างเป็นสิ่งปรากฏชัดนั้นปัจจัยจำพวกสี่อย่างสี่กรณีนี้เป็นสิ่งปรากฏชัดที่เข้าใจได้ทันที ตัวเลขที่อยู่ท้ายบรรทัดสุดนั้นหมายถึงตัวเลขที่อ้างถึงสาระที่ได้กล่าวมาแล้วในประเด็นแรกอยเองเชียนตัวเลขสามก็หมายถึงอำนาจปัจจัยที่อยู่ในข้อที่สามที่อยู่ในหน้าแรกนะครับก็คือว่าถ้าใครจะดูะรายละเอียดย้อนกลับก็ดูย้อนกลับไปตามลำดับของตัวเลขของกลุ่มปัจจัยที่ได้กล่าวมา อ่านี่เป็นเป็นการเน้นในแง่นี้าีนี้มาดูปัจจัยที่ไม่ที่ปรากฏชัดบ้างแล้วก็ไม่ปรากฏชัดบ้างคือทั้งสองส่วนปนกัน <c oughs> ได้แก่อำนาจจิตที่เป็นผู้กํากับกายเนี่ยนะฮะตรงนี้มันมีเป็นสองส่วนปนกันกล่าวคือ <c oughs> ถ้าเป็นส่วนที่จิตบังคับกายให้เคลื่อนไหว ไหวมากไหวน้อยก็ตามเป็นส่วนของปัจจัยที่เห็นชัดตัวเราเองเราก็รู้อยู่ในอำนาจที่จะบังคับให้เป็นไปต่างๆพอได้คนอื่นก็รู้อีกส่วนหนึ่งคืออำนาจประยุงกายที่เรียกว่าปัจจาราตาปัจจัยนะครในนี้ไม่ได้ระบุชื่อปัจจัยซ้าอีกเป็นอำนาจการกํากับกายของจิตที่ไม่ปรากฏชัด คนที่จะเห็นได้ดีคือคนปฏิบัติธรรมนี่จะเห็นได้ดีปัญญาจะตาปัจจัานะฮะถ้าเป็นคนธรรมดาก็าจะมองไม่ค่อยออกครับอธิบายยากหน่อยแล้วก็มองเลยลงมาอีกอำนาจที่ค้ำจุนร่างกายไว้ถ้าเป็นอาหารที่เราบริโภคเข้าไปนะั้นปรากฏชัดจริงอยู่ถึงว่าบางทีเราจะไม่เห็ น, นกลไกการทางานของอาหารก็ตาม แต่เรารู้ว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นใครก็เข้าใจกันทั้งนั้นและคนที่ไม่มีอาหารร่างกายสู้พร้อมหรือว่ากินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นพิษเป็นภยัยแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายอันนี้ก็เป็นส่วนที่ปรากฏชัดส่วนอำนาจของชีวิ ต, ตรูปที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงรักษาอัตภาพไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏชัด พูดพูดแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็รู้แต่เพียงว่าเป็นความมีความเป็นของอัตภาพของแต่ละคนแต่ละคนเท่านั้นเองคือในขั้นอย่างเราๆนี่นะอีกอย่างหนึ่งอำนาจกายที่เป็นที่อาศัยอยู่ของจิตอันนี้ก็มีบางส่วนปรากฏชัดบางส่วนไม่ปรากฏชัดถ้าเป็นทางร่างกายเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้จะจะเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดนะว่าจายตั้งอยู่ที่นั่นจริง อย่างเช่นทางกายยปัาสตถเนี่ยเราหยิกที่ร่างกายในส่วนใดรู้สึกเจ็บเราก็รู้ว่ารู้ว่าความรู้สึกอยู่ตรงนั้นจะมาถ้าเป็นตาเห็นรูปก็อาจจะชัดน้อยกว่านิดหนึ่งหูฟังเสียงก็อาจจะชัดน้อยกว่ากายหน่อยเนื่องจากเป็นอุเบกขาเวทนา ลิ้นริมลิ้ก็าอาจจะชัดน้อยกว่ากายหน่อยก็เป็นนั้นว่าทางกายซึ่งประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายทั้งห้าทวาร น, นีอ้อที่สงเคราะห์ว่าพอจะปรากฏชัดทางร่างกายปรากฏชัดที่สุดส่วนทางใจเนี่ยเป็นปัญหาไม่งั้นยังไม่เสียงไม่เสียงกันหรอกว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหนกันแน่ คนที่จะจับที่ตั้งของจิตได้ตั้งโดยหลักการยืนยันก็ดีโดยประสบการณ์ทั้งผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นจริงเป็นจังก็ดีก็อกบอกว่าใจเนี่ยมีที่อาศัยและจับได้นะฮะนั้นคนอย่างตั้งหลักการก็บอกว่าเวลากำหนดรู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนเห็นตัววิปัาญาณตัวสติที่กำหนดนามรูปอยู่ที่ไหนเนี่ย ก็จะค่อยๆกำหนดสืบไปสืบไปก็เห็นเหมือนกากรสะกดรอยตามงูอ่ะดูไปดูมาก็รู้ว่ามันมันเข้าหลบลงไปที่รูที่โพรงตรงไห น, นก็จับได้ว่าจิตมีที่อาศัยนะครับหะไทยวัตถุเป็นที่อาศัยของจิตอันนี้ในทางหลักการพูดไว้อย่างนั้นในทางประสบการณ์ก็บอกว่า จิตเนี่ยอยู่ที่หาทายวัตถุหลายคนพูดแล้วคนหนึ่งเป็นฝรังว่าจิตอยู่ที่หาทายวัตุตามประสบการณ์ที่เขาเห็นก็ว่าอย่างงี้นะจิตจิตมโนทวาร น, นะอยู่ที่หาทายวัตถุนี่ผมถามฝรังเขานะเขาบอกเขาเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไปถามที่พาม่า ก, ก็บอกว่าอยู่ อยู่ที่หาตะยาวัตุซึ่งตรงนี้ในทางความคิดมันเป็น